เรื่องธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยไปคบกับเพื่อนหรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีไม่งามที่มันจะชวนจิตชวนใจปลูกใจให้จิตใจลุ่มหลงไปหัดกินเหล้าหัดโซบุรีหัดลมกาวหัดทินเนอร์แั้งแวดกาทั้งไอทั้งจามโซบุรี ปวดหัวมัวเปล่าหัดดมกอง -dom กาวมันไม่ใช่ลักษณะที่จะเป็นอาหารไม่มีสิ่งที่ร่างกายจะต้องการแต่พอหัดไปหัดมานมันก็กลายเป็นของดีเข้ามาเองมันติดนี่ก็เลยติดย่างใหม่ขึ้นมาติดเชื้อใหม่เพราะนั้นสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าคนเราก็ผลหมากร่างไม้นี่มันก็ไม่ผิดกัด มันหล่นลงมาจากต้นหวานมันเกิดใหม่มันก็หวานมันหล่นลงมาจากต้นที่มันส้มมันเกิดใหม่มันก็ส้มคืออาศัยยางยางของพืช น, นั้นก็จะเป็นเชือ้อเพลิ์ยางของคนชีวิตที่มียางเอกเหมือนกันคนเราเมื่อยังมียางคือมีสิเนหาคือความเสน่หาเยื่อใ่ เราผูก พ, พันอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะค่อยพ่อพูนขึ้นมาในจิตในใจที่ท่านว่าพระอริยเจ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านไม่เกิดคือหมดอย่างหมดความเยื่อใหญ่อะไรถึงสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเนกาตีเป็นโพสตีเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชัว่วปา ป, ปุญยัสสะปะฮินัสสะขอน ถอนทิ้งทั้งบาปทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วนี่คนธรรมดายัางไม่ปีกกล้าขาแข็งพอในสิ่งในธรรมที่จะถอนความดีความชั่วอะไรออกอย่างยึดมัน่นยังพอใจในดียังเกียดความชั่วอะไรต่างๆโยมแต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นท่านหมดสิ่งเหล่านี้ทํายังไงเราจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการประพฤติการปฏิบัติที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไป ยังมาในงานศพนี้เราก็จะได้มาพิจารณากันคนที่ยังมียางอยู่ก็ต้องไปตกนรกบ้างไปขึ้นสวรรค์บ้างอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ดีหรือจะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ชั่วกว่าตา่ำก็จะต้องไปสู่สาภาพอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันอยู่้วยว่าปตะวีระสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะเตถูปัง เพราะให้อาศัยรถแห่งแผ่นดินและเชื้อในอยางแห่งพืชนั้นนั้นเอวังคั้นทาจะทาตุโยชะจะอายุตนาอิมเมขันทั้งห้าและธาตุทั้งหลายพร้อมทั้งอายุตนะทั้งหกนี้ก็เหมือนกันแลท่านพูดอย่างนี้รถแผ่นดินสมบุกปุ๋ยมีปุ๋ยมีความชื้นมีน้ามีอะไรพืชนั้นมีเยื่อใหญ่ยางเพียงพอประกอบกับอุณหภูมินั้นก็จะเกิดจะงอกขึ้นมา ถ้าแต่ว่าดินไม่มีรดดินไม่มีปุ๋ยดินมันมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีรถชาติอาจจะงอกมานิดหนึ่งมันก็จะตายเมื่อเราเอาเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นั่นนะข้าวกเกษตรไปวานลงบนพื้นหินใ น, นขณะเดียวกันพื้นหินนั่นเป็นหินที่ร้อนมันตายแล้วฝนก็ไม่ตกมันจะไม่งอกเลยตากแดดป่อนไปเรืยกันแล้วก็จะตายไปเ้วยกัน แต่ถ้าเกิดว่าวานลงไปแล้วมันเกินมีฝนมีอะไรต ก, ออกมาจะงอกขึ้นมาได้งอกขึ้นมาแล้วอาจจะไม่งามจับพื้นหินไปอีกเนีย่ยก็ตายไปเมื่อฝนหยุดตกไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนี่อาศัยกันที่นี่ในขณะเดียวกันถ้าหากพืช น, นั้นถูกคั่วให้แห้งจนหมดยางอย่างข้าวตอกแตกคนโบราณอีสานบ้านเรามเมื่อเวลามีคนตาย ทันจะคั่วข้าวตกแตงวานไปข้างหน้าถ้าจะไปถามผู้เท่า ว, า, วานทําไมผู้เท่าจะให้คําตอบที่เป็นสิ่งเป็นธรรมว่าลูกเอ้ยวานไปอย่างนี้แหละเผื่อว่ามันจะเกิดฝนฟ้าตกลงมาถ้าเกิดลูกหลานไปถามอีกว่าโอ้พ่อใหญ่พ่อวิวานไปทําไมมันไม่งอกรอฝนฟ้าตกลงมาอีกร้อยห้าพันหามก็เกิดไม่ได้เพราะข้าวตกแตกมันตายแล้ว มันจะงอกมาได้ยังไงตรงนี้พ่อใหญ่ก็จะถามก็จะเล่าให้ฝังวันลูกเอ้ยลานเอ้ยข้าวที่คั้วแห้งแล้วเนี่ยมันไม่งอกก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะมามัวร้องห่มร้องไห้ด้วยกันทำไมเล่าตายแล้วก็จะคืนมาไม่ได้ ซื้อว่าค่วมตายหนี่หากเบิงเป็นเทิงหลกคือจังไฟหมอดแล้วขวนนั้นหากบ่เห็นอยากจะม่วเมาให้น้ำค้นตายผู้ตกป่าให้น้ำเหมาะกะเบืองยังสิได้อุ่นแกงในคนโบราณจะพูดอย่างนี้เราร้องไห้กับคนที่ตายแล้วก็เหมือนกับเราร้องไห้กับพืชกับข้าวคั่วข้าวตกแตกที่มันคั่วแห้งแล้วมันจะเกิดได้ยังไงมันหมดยางคนที่ตายนั้น ขันทั้งห้าคือดีนน้ำไฟลมส่วนเป็นท่าทั้งสี่นี่มันก็แยกกันไปซะแลว้วลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมในอากาศตามธรรมดาธรรมชาติของมันซะแลว้วเลือดเนื้อทั้งหลายน้ำลายน้ำน้องอะไรต่างๆก็จะขึ้นอืดลอยไปเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมากันตัวมาเป็นน้ำมันกลับคืนไปส่ น, น้ํา ส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นต่างๆก็จะถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าทานเป็นดินเป็นหญ้าไปส่วนเป็นดินกลับคืนเป็นดินส่วนเป็นน้ําละเหยขึ้นไปไปเป็นเมฆเป็นฝนเป็นน้ําตกลงมาส่วนเป็นลมหายใจก็กลับขึ้นไปสูญลมตามธรรมชาติส่วนความอบอุ่นในร่างกายก็หายเกลี้ยงเมื่อไม่มีลมเข้ามา ธาตุีดินน้ำไฟลมแตกสลายกับเคินไปสู่ความเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุมัตโกกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยศักด์แปลว่าธาตุเท่านั้นนิสะตโตไม่ใช่สะตาวะอันยั่งยืนนิชิโวไม่ใช่ชีวิชีวะอันแท้จริงไม่ใช่สัตว์ บ, บุคคลตัว ต, วตนเราเขามันอาศัยกันอยู่อย่างนี้เฮตุงปฏิจจะซ้ำผูตาเฮตูพังขานิรุชเล อาศัยเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายมันก็ย่อมดับไปที่นี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อดับไปแล้วมันเกาะเหมือนกับขนไม้ที่มันร่วงลงมาจากขั้วหมักม้วงหล่นจากต้นมันข้ามหล่นจากอืมต้นมันจากงามันมันตายนะมันจึงล่วงหล่นแต่ในขณะที่มันตายมันซ่อนความเป็นเอาไว้คือยางของมันมันก็จะไปเกิดอีกต่อไปพอเห็นนั้น ชีวิตที่แตกสลายธาตุสี่ส่วนที่เป็นรูปอย่างรูปนี้โอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหันดังห้านั้นคือความรู้สึกนึกคิดจะเป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดพอใจไม่พอใจตอนนี้ก็สลายไฟเผาก็ไม่เจ็บสัญญาความจําได้ไมายรู้ความรู้สึกตัวอยู่ต่อสิ่งต่งางๆอันนั้นเป็นอันนี้หมดไป สังคานความคิดปรุงแต่งคิดได้คิดดีคิดมีคิดจนคิดอดีตคิดอนาคตเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อก็หมดสิ้นไป<อ>วิญญาณการรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอันเป็นวิญญาณธาตุเขาไปตามเส้นทางของเขานี่มันแตกสลายไปเหมือนเหมือนเหมือน กับการประกอบชิ้นส่วนของรถของเรือเข้าด้วยกันพระพุทธญาณวิจจะท่า้อังกะซ่อมพาราหอดิสโทรโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคําเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ตอนนี้มันประกอบกันไม่ติดแล้วมันสลายแล้วเอวังคันเทสุสันเตสุหติสโตติสมาดิเมื่อขันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันแลหันไหวอย่างนี้คํำสมมติว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้ อนนี้ขันทั้งหามันแตกสลายแล้วที่นี่วิญญาณธาตุอันเป็นธรรมชาติคือความรู้รู้ธรรมชาติเหมือนกับแสงไฟอันออกมาจากไฟฉายและฐานไฟฉายตอนมันประกอบกันตัวแสงไฟอันนี้มาจากไหนมาจากการประกอบกันระหว่างไฟฉายกับฐานไฟฉายหัวเทียนนั่น มันไหลออกมาแสงไฟตรงนี้มันไปไหนเมื่อไฟดับไฟไปไหนไม่ใช่ไฟไม่มีไม่ใช่ไฟไม่มีและก็ไม่ใช่ไฟมีมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติดับไปโดยธรรมชาติของมันไฟดับแล้วไฟไปไหน ดับไฟหมดทั้งโลกก็ไม่มีเชื้อเหลืออยู่ไฟไปไหนไฟยังมีอยู่ในโลกนี่คือตั ว, วิญญาณธาตุแต่ไฟนั้นถ้าเกิดมีเชื้อให้เกิดขึ้นมันก็ย่อมเกิดขึ้นเอาไมา้มาสีร้อนๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีนี่คือตัววิญญาณธาตุวิญญาณธาตุอันนี้อาศัยมีที่อาศัยวิญญาณนางนิสสิตาวิญญาณอาศัย ความรับรู้โดยธรรมชาติอาศัยโยกับดีกับชั่วอาศัยโยกับสุขกับทุกข์อะไรต่างๆก็มีอาการเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยอาศัยเหตุปัจจัยแี่ถ้าเกิดว่าณเนะจเมตานิสิตาวิญญาณอันนี้ไม่มีที่อาศัยไม่ยินดีไม่ยินร้ายหมด่างหมด่าง ไม่มีการเกิดมาไม่มีการตายไปเห็นแต่ธรรมชาติก็แตกสลายไปหมดไปอันนี้เราว่ากันในลักษณะของพระอริยเจ้าท่านจะเห็นอย่างนี้เวลาท่านจะตายพระอริยเจ้าท่านจะดูตนเองตายหมดลมหายใจค่อยๆหมดไปหมดไปหมดธาต ดินน้ําไฟลมจะแตกสลายหมดขันนะก็ดูมันหมดไปหมดไ ป, ดไปตัววิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์ลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของเหมือนคนไฟไหม้บ้านเนะไม่อยู่ในบ้านวิ่งออกมามาดูอยู่ข้างนอกโอ้ไหม้หมดแล้วนั่นก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ไหม้ตัวท่านไปด้วยไม่ได้ไหม้ตัวคนฉลาดก็ไปด้วยแล้วเป็นอย่างนี้ เพรเห็นนั้นพระริยาเจ้าท่านก็เห็นตนเองตายเหมือนไปนั่งดูคนอื่นกําลังสิ้นใจตายเหมือนไปนั่งดูตะเกียงกําลังมอดกาลังจะดับไปพอมันดับวับไปวิญญาณธาตุที่มีโดยธรรมชาติของท่านมันก็หลุดออกไปไม่อาศัยอะไรเลยในช่วงนี้พระริยาเจ้าจึงไม่มีคําว่าตายไม่เป็นเจ้าของตายไม่เป็นเจ้าของเกิดความจริงไม่มีเกิดมาไม่มีตายไปโว้ย เป็นเพียงอาศัยกันอยู่หลงเข้าไปไปเป็นเจ้าของมันพอถอดแว่นตาดำก็เลยฟ้าแข่งจังปางเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตามันก็ ว, ว่างว่างว่างว่างแต่นี้เรายังไม่เป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายยังไม่เป็นอย่างนั้นมันยังมีความเป็นเจ้าของเจ้าของคือมีอย่าง ดีก็พอใจกับดีชั่วก็เสียใจกับชั่วได้มากกับดีใจเสียไปก็โศกเศร้ารักก็ชอบใจชังก็ไม่พอใจลักษณะสิญญสงสิ่งเหล่านี้คืออย่างสิเนื้อสิเนหานั่นหมายถึงเยื่อใจอย่างไม่พอใจก็มีอีเยื่อใจอีกช น, นิดไม่พอใจฉันไม่พอใจไม่อยากจะดูหน้าเลยอะไรพวกนี้ สิ่งเหล่านี้มันยังมีเยื่อใอย่างมันจําเป็นจะต้องไปเป็นเจ้าของล่องลอยไปอาศัยขันอาศัยธาตต่อๆไปเพราะเหตุ น, นั้นบุคคลธรรมดาที่ยังเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยนี้อุโพปุญจะปาปัญจะยังมัจโจกรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้ว ตันตหิตะสะสังโห้ติตันจะอาทายคขจติบุญและบาปนั้นแหลย่อมเป็นของบุคคลผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขายังมีเยื่อใหญ่เขายังมียางเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับเป็นเจ้าของทางบุญและบาปนั้นตันจะสะอนุคังโห้ติชายาบอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้น มันเหมือนกับรสหวานรสเปรี้ยวของผลไม้มาหล่นออกมาจากต้นมะขำหวานหล่นมาจากต้นความหวานก็ยังตามมาในลูกมะขามหวานมาเกิดเป็นต้นมาขำหวานอันนี้เหมือนเงาตามตัวพระพุทธญาณเยวตันจะสานุคังโหติช่ายาวอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั่น บุญก็คงจะเปรียบพอง่ายๆเหมือนกับความหวานของต้นมะขามหวานบาปก็เปรียดก็เหมือนความเปรี้ยวความส้มของมะขามเปรี้ยวมันย่อมจะติดตามลูกมะขามที่หล่นลงมาจากต้นงอกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นมะขามส้มงอกขึ้นมากลายเป็นมะขามหวานแต่นี่สภาพแวดลอมดังกล่าวแล้วต้นหวานไปปนอยู่กับหมู่ส้มมันก็เลยได้รับสภาพ ความส้มติดต่อกันขึ้นมาเชื้อใหญ่ยางค่อยๆเจืดจางไปเชื้อใหอย่ยางใหม่ก็เกิดขึ้นเหมือนลูกเต่าของเราสภาพแวดล้อมมันไม่ดีพ่อแม่ก็ดีแสนจะดีคำสอนศาสนาะก็ดีครั้งแรกมันก็ดีๆตอนเด็กๆแต่เสร็จแล้วมันได้ไปพบสภาพแวดล้อมอันใหม่มีเพื่อนฟุ้งชักจูงต่อไป ไปพบเพื่อนกินเหล้าเมายาดูดมพินเนอดมกาวไปในที่สุดก็เสียเงินเสียทองเ ข, ข่าคาบเข้ า, ข า, ขาบาจิตแตใกใจเพตรงนี้เรียกว่าเกิดเยื่อใอย่างอันใหม่ใยยางเก่าก็เจือจางไปแต่ภาพเช่นนี้เรียกว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคติวิบัติคือสภาพที่เป็นอยู่ที่อยู่ที่ไปมันไม่พร้อม มันก็เลยเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ความชั่วเกิดขึ้นกบมาสู่จิตโ่ใจเรียกว่าคติวิบัติถ้าคติสมบัติที่อยู่ที่ไปที่มาเต็มไปด้วยคนสิ่งที่ดีงามบุคคลที่ดีงามเราก็จะดีมันก็จะดีอยู่แล้วคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะชั่ว เกิดมาใหม่ใหมจิตใจมันก็บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตใจคนเหล่านี้นะมันมีแสงสว่างมันมีความบริสุทธิ์ของมันอยู่ในตัวประภัสสรมิทธาตุกาเกวีจิตตังอาขันตเกษี เ, เซหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิถังเนะีท่านบอกว่าจิตนี้แจ่มใสประภัสสรครั้งแรกนะเหมือนหลอดไฟนิออนที่มันแจ่มใสอยู่ เอาสีดำสีแดงสีอะไรมาป้ายมันก็เลยเศร้ามองเป็นสีโน่นสีนี้ไปป่พสสาพัดสราหมิตรพิกเวจิตตังต่อมาอาขันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิทัทงอาขันตุเกอ า, กาขันตุกะแขกอุปกิเลเสหิกิเลตอุปกิเลเครื่องเศ้ามองมันมาเป็นแขกแขกคู่มาใหม่เยื่อใจอยางใหม่ก็มาเกิดขึ้นในใจิตในใจ ทีลเล็กทีละน้อยโกรธมาทีหนึ่งก็ทําให้เศร้าหมองทีรักมาทีหนึ่งก็ทําให้เศร้าหมองทีดีใจทีหนึ่งก็ท่วมทับความแจ่มใสไปอันใดจะเขาจะว่าสิ่งที่มันพอใจนั่นมันจะทําให้เราแจ่มใสเบิกบานตลอดไม่ใช่ทําให้หมดความเป็นอิสระมื่นกันหัวเลาะจนตาจีเห็นฟันพ้่าเพื่อหมดความเป็นอิสระความบริสุทธิ์ของจิตจิตถูกย้อมแล้วด้วยความพอใจ สติก็หมดไปในขณะที่หัวเราะเอาเสียใจกอาถูกด้อมด้ยวยความเสียใจสติก็หมดไปเสียใจก็หมดสติผิดเสียสติดีใจหัวเราะมันก็หมดสติเหมือนกันพระอริยเจ้าไม่หัวเราะทำเพื่อถือว่าเป็นอาการของเด็กอ่อน เพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตในเมื่อวิญญาณน่ะถของเรายัางมีที่อาศัยมันก็จะต้องหอบหิ้วเอาทั้งบุญและบาปนี้ติดตามไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปันหิตตะสังโห้ติดตันจะอาทายขจฉติบุญและบาปนั้นแหละย่อมเป็นของของเก่าผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอน ตันจะสาอนุคังโห่ติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นเหมือนความเปรี้ยวความหวานตามผลหมากผลไม้ไปเกิดต่อมาพบสภาพแวดล้อมไม่ดี่ก็กลายมาเปลี่ยนลถมาใหม่จากความหวานค่อยๆมาเป็นส้มเพราะอาศัยต้นส้มอยู่รอบด้านนิสัยใหม่จิตใจใหม่เยื่อใยอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นคนเราก็เหมือนกัน ดังที่คนโบราณพูดอินดิ้ยานสอนโลกขันอยู่ตามกระบวนอาอยก็มีแต่หวานบ่ขมเฟือนเนี่ยอยู่ตามกระบวนอกอยล้ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วพับนบ่าเครื่อเขาห่อมาเ ก, กอดเกี่ยวล้ำอ้อยจังคอยขม อ, อาศัยสภาพแวดล้อมจะว่าดคนเลย ไม่แต่ต้นไม้ต้นไหรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมเพราะเหตุนั้นการพัฒนาคนพระพุทธเจ้านั้นพูดถึงเรื่องจากศีนาคนไปสู่ความเจริญจากศีนั้นมีอะไรบ้างคือจะพัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีที่งามในขณะที่เป็นเป็นก่อนที่จะตายไปตายไปแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามติดตามไปเป็นเชื้อเป็นพันุ์เป็นเยื่อใหญ่อย่างให้เกิดมาเป็นคนที่ดี จากสี่สัพปุลิสูปสังเสวะให้ครบเซวกับสัพพบรุษผู้รู้จักเหตุจักผลรู้จักตนประมาณรู้จักการเวลารู้จักบุคคลสังคมประชุมชนบุคคลเหล่านี้ให้ไปคบกับบุคคลเหล่านี้หลังจานั้นก็สัรรมสวรรคะฟังคำสั่งสอนของผู้ที่ฉลาดผู้ที่เจริญนั้น หลังจากนั้นโยนิโสมณสิกาละพิจารณาไตรตองเรือหาสละทอยกระทงความที่ท่านพูดมาคิดทำให้ดีในใจพิจารณาสังเกตสังหอมสอมเบิงคาคักหลังจากนั้นก็มีอีกอันหนึ่งคือคำว่าธรรมานุธรรมป ฏ, ป, ฏ ป, ฏปฏิปฏิปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทมสมควรแก่ทำอย่างไร สมควรคือความพอดีพอดีพอดีทางสายกลางนั่นเรียกว่าปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ทำไม่เคร่งจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปปฏิบัติให้พอดีพองามในนั้นกาละเทสะฐานะภาวะเพศของตนอย่างไรถอยคำธรรมะที่เราพิจนารณาแล้วมันเหมาะสมแก่เราขนาดไหน้ารทำสีอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจริญ ก็จะได้เชื่อพันเยื่อใจอย่างอันดีงามในจิตในใจเพราะเห็นนั้นพระพุทธญาตบอกว่าสัทยะสีเลนะเจโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีสัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตพยังสุเตณจูพยัง เป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการศีลสละโซตาริโซสปุริโซวิจักคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาติยติซาลมิเทวะัตะโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ในชีวิตนี้จะต้องถือเอาให้ได้ด้วยเหตุสามประการสีประการ ทั้งหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านรวบรวมเอาธรรมะมาให้เราได้คิดว่าชีวิตที่เป็นเป็นนี่ทำให้มันมีแกน่นมีสารขึ้นมานำไป ส, สู่ความเจริญอย่างวิเศษจนถึงที่สุดแห่งทุกจนไม่เกิดไม่ตายกันอีกก็ยังได้ศรัทธาศีลการศีลระการสดับฟังและก็ปัญญาเรียกว่าอริยวัธิธรรม ท่านบอกว่าศรัทธาสีเลนะจะโยปวัตตติปัญญายะจาเคนะสุตเตนะจูพยังผู้ใดเจริญด้วยศินและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามันสดับศึกษาในการสีสละและเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้ย่อมเป็นผู้ถืออุประโยชน์แห่งตนในโลกได้ไว้ได้โดยแทบประโยชน์ที่จะถือได้ในโลกด้วยเหตุห้าอันนี้มีศรัทธา ศรัทธาคำนี้แปลว่าความมั่นใจมันใช่เชื่อธรรมดาลมๆแรงๆเงชื่ออย่างมั่นใจไม่มีอะไรตีกับภาษาบาลีว่ า, า, าศรัทธาภาษาไทยใช้คาว่าเชืออ่อย่างเสี่ยงหน่อยแต่พระไตบปิดกฉบับของสมาคมบาลีปรกรณ์กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษเข้าไปคําบอกศรัทธาพุทธศาสนาเป็น confidence confidence แปลว่ามั่นใจ ไม่จะแปว่าเฟสฟู l y ไม่ได้ใช้คำนี่ถ้าความเชื่อในทางศาสนาคลีตศาสนาอื่นก็จะกว่า a เฟสไปว่าเชื่อเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานนั้นเขาไปใช้กับว่า confidence วันนี้อขอภอภัยทั้งผู้ภาษาต่างประเทศหน่อยเพื่อให้มันแน่นแฟนขึ้นมาด้วยว่าศรัทธาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั่นคือความมั่นใจ มั่นใจว่าบาปมีบุญมีมั่นใจว่าทำบุญจะต้องได้รับบุญได้รับคุณงามความดีประพฤติ ด, ดีย่อมได้รับผลดีไม่ได้มาคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจนเป็นสุภาสิทธิ์อันตรพาขึ้นมาอันนั้นไม่มีสถาไม่มั่นใจในคุณงามความดีไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าทำชั่วล้วจะได้ผลชั่วอะไรอย่างนี้ ที่ว่าทํายังไงมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดชั่วยังไงกว่าเอาถ้าอย่างนี้มังกรเตรียมตัวได้เชื้อพันที่ไปดีตกน่ะลงได้เลยมีศรัทธามั่นใจว่าเราทําดีย่อมมีค่าย่อมมีผลทําชั่วก็ย่อมมีผลไม่ว่าในที่รับที่แจ้งเชื่อมั่นในการกระทําเชื่อมั่นผลของก่างกระทําเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ จึงถือว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลคือเป็นผู้มีความควบคุมการปรพัพฤติกายวาจาของตอนเองรับผิดชอบในการกระทําในการพูดของตอนเองสินอย่างน้อยศินห้าในจํานวนสินห้านั้นคือเรื่องแห่งการรับผิดชอบ รับผิดชอบทางกายจะไม่ไปรักของใครจะไม่ไปเกณฑ์ไปฆ่าตบตีใครจะไม่ไปร่วงเกินสิ่งที่รักลูกเขาหัวเขามีใครที่ไหนไม่ร่วงเกินรับผิดชอบรับผิดชอบทางวาจาคำพูดคำจาของเราจะไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่วัดทางตรงหรือทางอ้อมไม่ประทุษร้ายต่อตัวเขาชีวิตและทรัพย์สินและจิตใจของเขา นรับผิดชอบทางกายทางวาจาอย่างนี้รับผิดชอบทางใจไม่นำเอาจิตใจไปกินเหล้าเมายาดมกงด ม, ดมกาวทินนองทินเนง ท, ท, ทินเนอร์ให้มันเสียสูญให้มันเสียความถูกต้องดีงามเสียสติสัมปชัญญะรับผิดชอบต่อใจตนเองเมื่อรผิดชอบได้อย่างนี้มันก็จะอยู่ในภาวะปกติสีลังสีลาภาวะปกติ คือสินสีลังสีราวิยะภาวะที่ปกตินั้นเป็นศีลเพราะนั้นเข้าใจอย่างนี้อาจพุทธิยามบอกว่าผู้มีศรัทธามีสินจเจริญด้วยศรัทธาสินหลังอย่างนั้นมีการสดับศึกษาสุปเปนะเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ใครควรเป็นผู้สดับตับฟังอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนเป็นบาปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญฟังและก็คิด ด้วยสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีการสัะดบับฟังแลังจนั้นก็มีการศสียสละที่ว่าปัญญายาชาเคนสุเตพยังเป็นผู้มีปัญญาสะดับศึกษาในการเสียสละการเสียสละนี่สำคัญมากเราทั้งหลายมันจะมองข้ามว่าการเสียสละมันจะช่วยให้ชีวิตทีเ่เจริญไปอะไรมากนักหนา ศีล ส, สละตัวนี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทานทานนั้นก็ยังมีคําว่าทานนางไปว่าให้ไปว่าให้แต่บริจากนี่นะมันคนละอันจ่าเคนะจา่จาโคจ่าโคสลัดทิง้งมาจะคําว่าจา่าโคสลัดทิงท้งสลัดทิง้งสลัดออกหมายคำว่าจิตใจที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็าตาม ในสิ่งที่รักที่ชังก็ตามพยายามจ่าเขนะพยายามสีสละพยายามสลัดแบ่งรับแบ่งสู้ความรับความรักก็ดีความชังก็ดีความยึดมัน่นถือมั่นอยาให้มันเต็มในหัวใจมากนะักเชื่อสลัดสละออกไปยิ่งอารมณ์อันจะก่อให้เกิดความทุกข์แก่จิตแก่ใจผัวเมียอยู่ด้วยกัน ส่วนมาก์ทเลากันเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมสียสละยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ถ้าสองพวเมียนนี่ลองยอมกันสิให้อภัยกันเสียสละฉันยอมแพ้เธ อ, อยอดหลักฉันยอมเธอแล้วทางโน้นก็ยอมท้านนี้ก็ยอมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยอมแพ้กันทั้งสองฝ่ายก็กลายมาเป็นแพ้ท้องเท่านั้นเองออกลูกเท่านั้น ขึ้ขออะไรจะออกตเลิดเตลเลยไปนน่นเพราะว่ามันเป็นธรรมะมีปัญญารู้จักเหตุรู้จัก้นรู้จักบาปบุญคุณโทษพิจารณาให้ดีทั้งหมดนี้มีศรัทธามั่นใจในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องมีสินควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในภาวะปกติมีการสดับศึกษาให้รู้จักการพินิจพิจารณาที่ละเอียดขึ้น มีคารเสียสละจาเคณนะการปล่อยวางความยึดมัน่นถือมั่นปัญญาความรู้แจ้งส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษและหนทางออกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้จะเป็นผู้อเทอประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โซตาทิโซส ป, ปุริโซวิจักคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอารธิยติซาลมิเทวาตโน ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้โลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปูกบ้านทักอันทาวรอยเป็นพันพันปีเมื่อใดเรายัางไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจจรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาตินี้ เราจะต้องล่องลอห้อยไปในทะเลวน่นทะเลแห่งชีวิตทะเลแห่งวัฏสงสารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกันอยู่เป็นอนเนกชาติเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้เมื่อเรามีธรรมทั้งห้าอย่างนี้อย่างหยาบก็ดีกลางกลางก็ดีถ้าละเอียดก็ดี ยังหยับหยาบรู้บาบุญคุณโทษควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในคันลองกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าปีเข้าน้องเข้าบ้านเข้าเมืองได้ไม่เป็นตราสั่งมีปัญญารู้เถ่าทันมีเหตุมีผลมีการเสียสละอารมณ์สวนไม่ดีไม่งามสดับศึกษาอย่างหยับหยาบนี้ก็เพียง ทำให้เรามีความสุขในสังคมได้รับแก่นสารได้สร้างกลงามความดีที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็สามารถที่จะนําปัญญาชนิดนั้นเป็นไ ป, น เ, ปนเป็นปรมาถปัญญาปัญญาอนันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นยอดแห่งปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงอนิจจังความไม่เที่ยงทุกครั้งอันอาศัยเหตุปัจจัยนั่นอยู่ ย่อมเกิดความอยู่ในสภาพที่ทนอยู่ได้ยากแลกว้วก็อนนาตาเห็นสิ่งตั้งหลายอาศัยเหตุอ า, าศัยปจัจจจยประกอบปัญโยชไม่ใช่เราเขาที่ไหนไม่อยู่ได้อำนาจของใครและเห็นไม่แต่สิ่งที่เข้าไปรู้คือจิตก็ดีวิญญาณก็ดี ที่มีชื่อเดียวกันนี่ว่าตัวจิตที่เข้าไปรู้ดีรู้ชั่วรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้เมือ่อดนนี้ก็เป็นเพียงสักว่าตัวรู้ธรรมชาติของจิตซึ่งมันก็อาศัยอยู่ในกายนี้มันไม่ใช่เรามันก็เป็นธรรมชาติก็เลยเห็นคำว่าอนะัตตาจิตมันก็จะว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา ความบุญวายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปตเป็นผีมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เย็น ล, ลงเย็น ล, ลงเย็น ล, ลงมันก็จะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทา่านกล่าวว่าอาจียติซาลมิเทวาตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนคือเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนไปค้าไป ข, า, ไปขายเมื่อเกิดมาแล้วตาไม่บอดหูไม่โง่ไม่ห่วยเปียกเสื้อขาไม่ เป็นคนวิกฤวีการกลายไม่วิปริตจิตไม่วิปรารก็ถือเอาประโยชน์แห่งตนด้วยการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเดินทางต่อไปดังกล่าวแล้วว่าเหมือนต้นไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วมันก็เกิดได้ผลไม้ที่มันล่วงลงมานั้นมันตายจากต้นเ น, าน้าน้นแต่มันมาเกิดในแผ่นดินถ้าหาแผ่นดินนั้นยังมีความอบอุ่นยังยังเป็นดินอยู่ ยังมีน้ำมีปุ๋ยและพืช น, นั้นยังมีเชื้อมีพันยังมียางไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกคว่วให้แห้งมันย่อมเกิดขึ้นมาได้ฉันใดเมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะถือเอาประโยชน์แห่งตนต้นไม้เมื่อมันเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่งามงดงามขึ้นมางอกแล้วก็งามงามแล้วก็ผลิดอกออกพ้นแล้วก็มีลูกมีเต้าร่วงรนกันตกใบนึ่เป็นธรรมชาติของพืชแต่ธรรมชาติของคน เมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงามพ่อแม่ดีงามกรรมพันธุกรรมโยนิเกิดมาดีแล้วมีเผ่าพันธุ์ดีแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีนี่กรรมพันธุน์ุกนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพราะพุทธศาสนาตามไม่บอดหูไม่นวกพ่อแม่ก็พาทําบุญสุนทรทานเพื่อนฟูงบ้านเมือง มีพระสง์องค์เจ้าผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเราไม่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคานองของคาแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่เรียกว่าประโยชน์อันจะพึงถือได้ในโลกดีจะต้องถูกเงื่อนไขมีปุ๋ยแห่งชีวิตโดยอาศัยศรัทธาอาศัยศีลอาศัยการ สะดับตับฟังอาศัยการศีรษะอาศัยปัญญาห้าอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาอาริยวัตถธรรมดังกล่าวแล้วทาอันจะนำบุคคลไปสู่ความปเปิรเผไปสู่ความเจริญไม่มีความเสื่อมของชีวิตผู้ใดประกอบด้วยธรรมหประการมีศรัทธามีศิลป์มีการศีรละคำว่าศีรษะนั้นก็คือสลัด สละอารมณ์ส่วนที่จะก่อให้เกิดความทุกข์จิตใจที่หลงเข้าไปใต้อำนาจแห่งอารมณ์นั้นสละมันทิ้งโดยอาศัยสติปรรัญญามีเหตุมีผลเพียงพอรู้ว่าสิ่งนี้ถูกใจเราแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำ <c oughs> อย่างนี้เลยว่าจาเคนะทั้งหมดนั้นสุเตนะ ได้รับสดับกับฟังมาอย่างดีพิจารณาตามนั่นก็เลยเห็นว่ามันถูกใจเราเฉยแต่มันไม่ถูกต้องเราก็เลยจาเคนะจาโคสลัดทิ้งปัญญายะด้วยปัญญาม <c oughs> ีปัญญาตรงนี้มันจะเป็นคุณธรรมที่ประสานกันที่จะทําให้คนนาไปสุประโยชน์แห่งตนได้ศรัทธายะศีเลนะเจโยปวัตติผู้ใดจเจริญด้วยศีและมีศรัทธา ปัญญาญาจาเคนสุตเตนจูพายังมีปัญญาเป็นผู้สดับศึกษาในการเสียสละคาว่าเสียสละนั้นย่อมมองเพียงแค่การเสียสละเงินทองเสียสละอะไรต่ออะไรออกไปทําทานมันคนละคํากันคำว่าจารเคนะกับทานเนนะ่ะทานนะจาระมันคนละคํากันทานานั้นเน้นไปที่สิ่งของการให้สิ่งให้ของเป็นทานอย่างทําบุญซุนตรทานการ ให้สิ่งของเป็นฐานอะไรต่างๆนั้นวันหมายถึงการเป็นฐานแต่จารเคนะบริจาระตดีจารเคนะจารคการสละนี่มันหมายลึกลงไปถึงสิ่งที่แม้ไม่มีตรวจตนการเสียสละความชั่วในใจที่หลงไหลฝ่ายฝันอยู่ยอมหักใจอําลามันสลัดเท่งข่มความรู้สึกอันนั้นเนื้อเหตุเนื้ออารมณ์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้อง มันไม่ถูกกับการละเทศะกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ตนเองได้ดีแต่คนอื่นมันจะเดือดร้อนและผลเดือดร้อนนั้นจะตามมาหาเราอย่างนี้เราไม่ทําอย่างนี้แหละเรียกว่าจาา่าค่าปัญญารู้รอบกับสิ่งเหล่านั้นเรามามองดูสาระประโยชน์ที่พระพุทธเจา้าอนวบาบุคคลที่จะถือเอาประโยชน์แห่งตอนนี้แหละด้วยทำห้าประการนี้จะต้องเป็นผู้เฉียดแหลมเป็นสัตบุรุษ โซตาติโตสปูริโซวิจคันโนบุคคลผู้เป็นสตัต บ, บุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นสตัต บ, บุรุษนั่นคือบุคคลผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้ประมาณรู้การรู้เวลาอันควรประพฤติอันควนป ร, รควปฏิบัติให้ถูกต้องกับการละเทศะมันก็นเลยต้องเป็นวิจคัคโนณเฉียบแหลมอีกด้วยรู้เท่าทันอาร์ิยติสาลมิเทวาตํมโน จึงจะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีปัญหาประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความสงบความร่มเย็นประโยชน์สูงสุดจนจะนาเราไปพ้นไปจากสังสารวัฏเนื้อกาละเนื้อเทศะ จิตเพลินจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากอุปาทานโดยการรู้เท่าทันขันธาตุอายตนะอันนี้สงขึ้นมามากที่นี่เราเรามองดูหยาบหยาบกันก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งก็มองจากหยาบหยาวา่าศรัทธาศีลแต่ละขั้นธรรมดานี้จะทำให้เราถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตได้อย่างไร คำาศรัทธาดังกล่าวแล้วนะมันไม่ได้หมายถึงความเชื่อธรรมดาแต่มันหมายถึงความเชื่อจนมั่นใจเลยว่าคอนฟิดเอนซ์ไม่ใช่เฟซอยากเราเชื่อว่าไฟไหมแล้วมันร้อนต่อให้เทวดาเขียวๆทั้งสวรรค์มาพารนาว่าไฟนี้ถ้านอนตะแคงจับนะ่ามันจะเย็นอย่างนนงนี้จ้างก็ไม่เชื่อไม่มีทางที่จะเชื่อคนอื่นไปได้อย่างนี้เรี่ยมันเนื้อศรัทธาธรรมดาเป็นคอนฟิดเอนซ์ มั่นใจพระพุทธเจ้าจึงบอว่าอัศโทอัศโทรพระอริยเจ้าเป็นอัศโทไม่มีศรัทธาพูดง่ายๆคือไม่ได้เชื่อลมๆเล้งๆธรรมดานะเนื้อความเชื่อจากคนอื่นเนื้อความเชื่อจากเหตุผลคําอธิบายแต่เป็นความเชื่อที่เห็นประจักษ์อยู่ในใจจนไม่ต้องเชื่อตามใครพระพุทธเจ้ามาพูดใหม่เราก็ไม่เชื่อถ้าท่านมาบอกว่าไฟเย็นอย่างเนี้ยทีนี้ถ้าลองศรัทธา น้ำลงมาเพราะจะทําให้เราถือเอาสาละประโยชน์แก่ฟ้านแห่งชีวิตตด้อย่างสัตวานเราเชื่อเราเชื่อชนิดว่าชาติหน้าก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่อยากเชื่ออย่างหยาบหยาบอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่ว่าบุคคลผู้เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลเหล่านี้นะ จะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบจะทําบาปก็ทําไม่ได้ถนัดท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอดถ้าเราเชื่อว่าบุญมีบาบมีนรกมีสวรรค์มีเทวดาฟ้าเด่นที่กําลังมองเห็นการกระทําเรามีมันจะมีความรับที่ไหนให้เราทําบาปทําชั่วถึงแม้คนอื่นไม่รู้ใจเราก็รู้แม้ใจเราจะดื้อแผงบังแปลมันก็ หวาดเสียวหวาดกลัวภยัยอันตรายบาปกรรมที่จะติดตามไปในวันข้างหน้าในชาติหน้าบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบุคคลที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องตอน้นที่จะเป็นข้อประกันนะเป็นเงื่อนไขประกันการทำชั่ว เพราะทุกคนนั้นรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อทุกปัาจนะต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้ารู้ว่ามันมีจริงเชื่อว่ามันมีจะทำไปทำไมในสิ่งที่มันจะชั่วจะเดือดร้อนเมื่อเชื่ออย่างนี้มีล่องหน้าอันยังไม่ปล่อยป่ละเลยก็จะสร้างกลุนงามความดีกันเมื่อบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทาคุณงามความดีก็ทาได้อย่างเต็ม อ, อกเต็มใจภาคภูมิใจว่าเออ ถ้าหากชาตินี้เรายังไม่ได้รับผลของกรรมการกระทำของเราในวันนี้เขายังจะต้องเอื้ออำนวยให้แกเราในชาติหน้าเขาจะทำคุณงามความดีด้วยความเต็มอกเต็มใจภาาภูมิใจสบายใจในขณะที่ทำด้วยแต่ถ้าเขาจะทำความชั่วเขาก็จะทำอย่างหวาดหวัน่นหวาดกลัวต่อผลกรรมชั่วแม้ชาตินี้ยังไม่ทันชาติหน้ายัางจะมีเขาก็จะหวาดกลัวอย่างนี้ ซึ่งมันผิดกันกับคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลที่ไม่เชื่ออย่างนี้นจะไม่ค่อยรับผิดชอบข้อภัยเขาอาจจะรับชอบแต่ไม่รับผิดสิ่งใดที่เขาชอบออกชอบใจสิ่งใดที่ถูกใจเขาถึงแม้มันจะไม่ถูกต้องชั่งหัวมันเขาจะทาเพื่อเขาในชีวิตนี้ชาตินี้เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามี แบบพวกฝรั่งมั่งคาที่บอกว่า eat and drink be merry to m o r r o w v meddie เดิมเข้าไปสนุกสนานเข้าไปกินเข้าไปพรุ่งนี้อาจจัดตายตายแล้วกันแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าถ้าหากทุกคนคิดว่าชาตินี้ชาติเดียวพอชาติหน้าไม่มีดอกเกิดมาชาติเดียวหมดมันก็หมดปัญหาถ้าคิดได้อย่างนี้จริงๆมันหมดปัญหา หมดปัญหายัางไงคือไม่ต้องเป็นห่วงมันชาติหน้าชาตินี้ก็กินไปดื่มไปสนุกสนานไปจะได้ก็เอามันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวบาปกลัวบุญคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายช่างหัวมันไม่ถูกต้องต่อใครก็ตามต่อเงื่อนไขของสงขขังคมกฎหมายบ้านเมืองประเพณีอันดีงามช่างหัวมันคอนมันถูกใจของเรา สิ้นไปงกินไปดื่มไปพรุ่งนี้อาจจะตายอย่างที่ฝรั่งก็พูดอย่างนี้มันมันก็หมดปัญหาหมดปัญหายัางไงหมดปัญหาสําหรับเราแต่คนอื่นมันจะมีปัญหาก็ช่างหัวมันคนทั่วไปในโลกท้าคิดอย่างนี้มันก็จะรีบกอบโกยเก็บกําจะเอารัดเอาเปรียวแล้วมันก็จะเคหน่ากันละทีนี้ขอให้เราได้อยู่ในกินเพราะชาติหน้าไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบขอให้รับผิดชอบในวันนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเกิดเราทําชั่วในเด๋ยวนี้มันเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้เลยไม่ต้องกลัวตายทุกข์ไปทุกข์มาจนตนเองผูกคอตายหรือทุกข์ไปทุกข์มาสภาพแวดล้อมพัวทําชั่วก่อเวรสร้างกรรมพผาโรคให้เราร่อนคอให้สนุกสนานคนเดียวเมียจะเป็นอย่างไรก็าตามเงินมีทองซื้อเหล่าซื้อยากินไปจ้างผู้หญิงสนุกสนานไปส่วนเมียกับลูกจะช่างหัวมันยังไงก็ตามอย่างไงก็คือเมียเราลูกเรากลับมาเหมือนไรก็ได้อย่างนี้ เอาไปเอามาลูกก็เป็นทุกข์เมียก็เป็นทุกข์ผัวเมียอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดความทุกข์เพราะขาดการรับผิดชอบต่อบุญต่อ บ, บาปต่อการกระทำนางนาเขา้าผูกคอตายถ้าตนเองไม่กุ้มใจก่อนก็ลูกเมียจะผูกคอตายตายซะก่อนเป็นโลกละส า, าตายซะก่อนแล้วความทุกข์นั้นก็ตกมาที่ตนเองทีหลังทั้งหมดนั่นก็คือการตกนรกตั้งแต่ยังไม่เป็นยังเป็นเป็นยังไม่ตาย จะต้องกล่าวกันไปใหญ่ถึงหลังจากตายแล้วท่านตั้งหลายลองคิดดูเถิดเพราะเห็นนั้นระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตัดว่าบุคคลที่ไม่มีความเชื่อมั่นไว้าชาติหน้ามีท่านกล่าวว่าบุคคลนี้จะปล่อยโลกหน้าวิสตะประโรโกโววิสตินะประโรกโกบุคคลที่มีโลกหน้าคือชาติหน้าปล่อยทิ้งแล้วไม่สนใจว่ามันจะมีไม่ยอมรับผิดชอบ ต่อการกระทําของตนเองในโลกหน้าในวันถัดไปในโอกาสต่อไปขอให้ได้ดิบได้ดียูดีกิในดีในวันนี้วิสทะสมาจารอบุคคลนั้นจะเป็นผูป้ปล่อยการประพฤติสมาจารวิสถะสมาจารถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีในโลกมีสวรรค์มีมันก็จะปล่อยปล่อยการรับผิดชอบต่อมารยา ก, การกระทําไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้ฉันจะทําเพื่อฉันในวันนี้ในขณะ น, นี้เพื่อวันหน้าตายแล้วกันแล้วบุคคลนี้จะทํำยังไงก็ทําได้คนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเนี่ยเขาไม่มีศรัทธาที่เป็นสมมาทิฏฐิบเบื้องต้นอย่างนี้เขาทําชั่วได้อย่างโหดเหี้ยมอย่างหน้าตาเฉยถ้าหากเขาจะหลงไปทําดีกับเพื่อนบ้างเขาก็ทําศักแต่ว่าทําเซ็งๆไปก็พาทําก็ทําไปงั้นนะ แต่จิตใจมันไม่ภาคภูมิใจไม่หล่อเลี้ยงเป็นวิญญาณอาหารเป็นอาหารแห่งจิตไม่เป็นมโนสัจเจตน า, าอาหารอาหารอันเป็นความหวังหล่อเลี้ยงใจว่าเออถ้าชาตินี้ฉันอาภัพรครับแค้นอยู่ก็ตามเถอะฉันได้ทําบุญดุทาทานอยู่สร้างอุณงามความดีไม่ได้ก่อเวรสร้างกรรมเผา โ, โรคให้เราร้อนชาติหน้าเถิดวันหน้าเถิดบุญของฉันคงจะต้องตามส่งบงั่งอย่างนี้เขาก็มีอาหารเลี้ยงใจเป็น มนโนสังเกตปอาหารหรือถ้าเขาแม่มั่นใจขึ้นมาร้อยเปอร์เซนเขาในขณะธรรมเข า, เข า, เา ก, ก็เบิกบานแจ่มใสทําไปแล้วจะเบิกบานแจ่มใสยิงทุกข์จะยากยังไงก็ตามเถิดฉันได้สร้างแต่คน ง, งามความดีตายมันวินาทีนี้ฉันก็ชื่นใจเพราะชีวิตฉันเกิดมามีแิ่การสร้างคน ง, งามความดีถ้าอย่างนี้เขาก็มีอาหารใจชนิดอย่างไรเราวิญญาณอาหาร อาหารทางวิญญาณอาหารทางความรู้สึกรู้เช่งอยู่ในใจเขาโจอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะอาภัพคับแค้นเลยบุคคลที่เชื่อว่าชาติน่ะมีบาปมีบุญมีนรกมีตานแล้วจะต้องวนเวียนไปเพราะเหตุว่าจิตใจยังมีเชื้อใหญ่ยางสิเนหันจะตูพยังยังมีเชื้อใหญ่ยางโยมันก็จะต้องเกิดมาอย่างนี้อันนี้เรามองกันจับยา เมื่อบุคลมีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวัรค์มีแล้วชาติหน้ามีอย่างนี้เขาก็จะรับผิดชอบเป็นผู้ไม่เป็นวิตินนะสมาจาร ο, วิสถสมาจาร ο, วิตินนะพระโรโกเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยโลงหน้าเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยมารยาทเขาเชื่อ ว, ว่ามันมีเขาจะสร้างแต่คุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีเขาจะรับผิดชอบทั้งตายทั้งวาจาทั้งใจ ถ้าสรุปแล้วการรับผิดชอบกายวาจาใจนั้นก็คือสีเลนะเจโยปวัตติประกอบด้วยสธามีศิลอันเจริญแล้วมีศินมีสธาปวัตติจเจริญด้วยสธาจเจริญด้วยสินเมื่อเขาเชื่อมั่นว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาก็จะควบคุมกายวาจาใจของเขา ไม่ให้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เราร้อนเรียกว่าไม่เป็นวิตินะประไม่เป็นวิตินะสมาจารโอวิสถาสมาจารโอ mm hmm. เขาก็ไม่ปล่อยมารยาท mm hmm. ก็มีศิลการพูดก็ดีการกระทําก็ดีการคิดก็ดีเขาจะรับผิดชอบวควบคุมเป็นปกติไม่เปลี่ยนเบียนตนเองและผู้อื่นดังกล่าวแล้ววสินคือความปกติ mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนี้ เขาก็ยิ่งจะภาคภูมิใจในการประพฤติตามปฏิบัติของเขาเขาเชื่อมัน่นหลังจากนั้นเขาจะเข้าใกล้สมณะผู้มีคุณงามความดีผู้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจทําบุญสุนทราทาเขาจะได้สดับสุเปนะ่ะเขาจะได้สดับเขาจะได้ฟังฟังแล้วก็จะได้คิดเออจริงของท่านทีนนะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งเพิ่มเติมศรัทธายิ่งเพิ่มเติมความภาคภูมิใจในศีลของตนเองยิ่งควบคุม ก็จะมีจาเขนะการเสียสละสีสละส่วนหยาบหยาพวกวัตถุสิ่งของแล้วก็เสียสละเลึกออกมาทางด้านจิตใจคนในโลกนี้ไม่เหมือนกันโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกี่เล่นและคุณทาชั่วอายุไขที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกแะ่ต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะให้เหมือนเราได้ยังไงเราก็จึงไม่เหมือนเขาอย่างนี้ เมื่อเันผิดหัวผิดตากันบ้างก็ให้อาภาัยกันอย่างนี้เรียกว่าจ่าเทนะแม่ตะลุกเอยพัวเอยเมียเอยอยู่ด้วยกันก็จะต้องให้อาภาัยกันแหละทีนี้จิตใจเขาก็จะเย็นลงเย็นตรงปัญญายะประกอบไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลทําอย่างนี้จะไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ยิ่งวิเคราะห์วิจัยละเอยียดเข้ามาทำห้าประการ น, นี้เองเรียกว่าอารยวัติธรรมศรัทธาศีล การสดับับฟังการศีระปัญญาบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้อารทิยติสารมิเทวอัตตนย่เป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ตลอดเวลาที่เกิดมาในโลกช่วเวลาอันน้อยนิดนี้จะประกอบคุณงามความดีตลอดอย่างนี้ ท่านสาวทุชนตั้งหลายลองคิดดูเถิดถ้าหากเรามีสิ่งเหล่านี้นานๆทีมีคนตายแล้วก็มาเฮื่นดีมาวัดดีมาเผาศพทีก็มาพิจารณาอีกถึงชีวิตที่แท้จริงบั้นปลายของชีวิตเป้าไม้ของมันอยู่ตรงไหนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนผลไม้หล่นลงแล้วเกิดเกิดแล้วเป็นลูกเป็นเต่าหล่นลงแล้วเกิดมาอย่างนี้เมื่อใดจะหมดสิ้นอย่างไหญ่แล้วก็มาสร้างกุลงามความดีอย่างนี้เพิ่มใหญ่ที่มันดีมันงามก็ยิ่งจะได้รับการ รดับการศึกษาจากกูบาอาจารย์หนักนักข้าวเราก็จะกล้าวหน้าทางชีวิตในทางสมาธิสูงขึ้นมาจิตใจสะอาดตว่างสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจตั้งมัน่นจิตใจที่ควรแก่การงานไปพิจารณาเยื่อใยยางโซ่ตัวแห่งจิตใจอันเป็นกาแฟแห่งปฏิจสมุ ป, ปนธรรมซึ่งอาศัยกันอยู่ ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็จะแหลมคมสะอาดเจิดจ้าขึ้นมาอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งในชาตินตี้ในชาติหนา้าและประโยชน์สูงสุดสัพเพธรมมาปัญญุตลาพัฒนาศีลสูงขึ้นมาอบรมสมาธิพัฒนาสมาธิสูงขึ้นมาอบรมปัญญาพัฒนาปัญญาเป็น ภาวนาเมยปัญญาปัญญาที่ได้มาจากการพัฒนาตัวมันเองอย่างเรามาวันนี้มางานศพนี่มาเห็นคนตายนี่ก็เอามาเป็นโอปัญนายิกโกโอปัญนายิกกังน้อมนาเข้ามาใส่ตนมากราบลงในข้างโลงศพนี่ที่เขาจุดเทียนส่องไว้ให้เราเห็นวิญามื่เดออย่ามืดเดอกราบปั้บลงมาก็โอ้ oh, เอวังพาวีเอวังอนัตติโต เราก็จะเป็นสภาพเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้มรณะธนระมโมหิมรนะังอานติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่ความตายไปไม่ได้หันทาหังกัลยาณังกะโลมิกายเนวาจามนาสา <c oughs> เอาเถิดเราจะรีบทําคุณงามความดีก่อนที่เราจักตายไปเหมือนท่านผู้นี้เราจะทําคุณงามความดีด้วยกายด้ว ย, ว, ยวาจาใจ เตือนจิตสกิดใจปลุกเราตนเองให้ตื่นตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ทุกอันที่เราได้พบแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ เตรียมตัวก่อนตายสร้างกุลงามความดีไว้ก่อนจะตายตายไปแล้วก็ยังมีคนเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านไม่มีลูกมีเมียท่านไม่มีล้านมีเลนอะไรมากแต่เวลาท่านตายทำไมคนมาเผาศพท่านเยอะแยะไปหมดท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันท่านตายท่านมรณะภาพเนตพ ร, บพ ร, บพ ร, บตระบาทตมเลพเจ้าอยู่หัวกลบมา คนมาล้นหลามโรงแรมสกลนครนครพนมการสินอุดรธานีแต้มไปหมดจากกรุงเทพกรุงไทยเมืองใต้เมืองล่างมางานศพอาจารย์ฝั่นมางานศพอาจารย์มันนี่คือคะแเนนของผู้ที่ตายตายอย่างมีคุณงามความดีใครๆก่อนหลังไหลกันมาเทียมันพีก่กันกับคนชั่วตายสถุนานท์ที่บอดีเฟอร์ดินานมาโกตแห่งประเทศ ฟ, ฟิลิปปินส์ปกครองประเทศ ฟ, ฟิลิปปินส์เป็น กี่ปียี่สิบปีเงินทองเยอะแยะ18ึ่งดพันล้านดอลลาร์ถูกไล่ก็เจอกระเจิงอก อ, ก อ, กอกนอกบ้านนอกเมืองตายแล้วจะเอาศพเข้าบ้านก็ไม่ได้อย่างอาภัพขับแข็งที่สุดมันผิดกันคุณงามความดีพระเจ้าชาปานเลวีถูกโคมนินีปฏิวัติไล่หนีเพอเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตมสารแป็ดตายเอาดับหน้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกษัตริที่ไร้บัลลังทั้งหมดนั่นคือคุณงามความดีและคุณเลวความชั่วที่แต่กระทํา มันผิดกันกับพระสององค์เจ้าดี่สร้างขุนงามความดีชูโชคตายไปทรัพย์สมบัติที่ประเจ้าสนชัยไทยเอาลูกเอาหลานโอ้ยมาร้อยตัวช้างร้อยตัวรถร้อยคันเงินอย่างละพันช่างพันช่างทาศีทาซาอย่างละร้อยบ้านเป็นหลังตายป้บประกาศหาผูมา้มารับมรดกแทนเจ็วันไม่มีใครเสนอหน้ามาเลยนั่นคือความทั่วเพราะนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนตายรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายแน่ พระผู้ไดเจ้าท่านให้เราคิดใกล้เขามาวัานน่ะเหว่าติดทั้งนาศีนางนัสยานางนัปปทาคุงไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่สังขารทั้งหลายอายุสังขารหาประมาทไปกับบุคคลผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ไม่ว่าเราจะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ความตายตามติดตลอดไม่ได้ประมาทไปกับเราไหมเราจะประมาทเพราะเหตุนั้น สมมาอิท ะ, ะชีวิตะเฟ้เฟชีวิตที่เหลืออยู่นี่กิจากาโรสิยานะโรณะจะมัชเชติจงรีบประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนตนญาได้ประมาทเลยเพราะว่าความตายไม่ประมาทมตามเราอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่รู้บันจะเหลือสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ มาในงานศพอย่างนี้อย่าให้ผีหัวรเราะเตรียมตัวไว้ก่อนตายพูดและพูดอีกแต่มาี่ขุดหลุมไว้หน้ากุฏินั่นสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้เสร็จเรียบร้อยไว้ฉันตายเมื่อไหร่ฟืนในวัดเราเยอะเก็บมรอนเข้ากับเผาขึ้นสวดอนิจาวัะสงคาลากันขึ้นได้ทุกคนอย่างนี้เตรียมไว้แล้วคุณงามความดีทำไวเ้เสมอไม่ได้ขาด ทุวันนี้ต้องเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลบางครั้งเข้ามารับตั้งคํากังคืนบางทีคนเมาเล่ามาทรงอย่างนี้ไม่รู้มันจะพาไปชนไปความตายเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งใจตายอยู่ตลอดการอย่างนี้คุณงามความดีก็สร้างเอาไว้อย่างนี้เรียว่าเตรียมตัวก่อนตายตายเมื่อไหร่ก็สบายใจคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วตายนี่เขาไม่ได้หวาดหวัน่นอย่างพันเอกสนอดตายไปแล้วเห็นสวรรค์ชั้นที่เกตคือนับจากชั้นที่หนึ่งของมนุษย์แกบอกว่าไม่อยากจะลงมาเลย คนที่สร้างคุณงามความดีแล้วบางทีตายมันยประพบสวรรค์อย่างที่กล่าวแล้วฟื้นมามันยิ่งมั่นใจจะไปทําชั่วอย่างไรความชั่วก็เห็นอยู่โทษที่ลงใ น, นนรกอย่าว่าแต่คนแต่สัตว์เลยหมดตัวแดงแมงตัวน้อยก็ไม่มีใครอยากฆ่าต่าหากไปเห็นสวรรค์จริงๆอย่างนี้เพราะมันมีเครื่องดึงดูดใจเรายังไม่เห็นเพราะไม่มีหูมีตาอันเป็นทิพเราก็มาพิจารณาว่าอย่างไงอย่างไงเนี่ย เชื่อมั่นไว้ดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีพุ่งนี้ยังมีวันนี้ยังมีท่าหาชาติหน้าเหมอือนเมื่อวานชาติอาชาติก่อนเหมือนเมื่อวานชาติหน้าเหมือนพุ่งนี้ชาตินี้เหมือนวันนี้มันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันให้เราเห็นเห็นหยูอย่างนี้ เมื่อมันอย่านี้จะเตรียมตัวไว้ก่อนตายสั่งคนงามความดีคนดีตายเข้าหลับตาตายสบายเพราะสั่งคุณงามความดีวันแล้วคนชั่วตายบางทีร้องเหมือนถูกเชื่อตอนเองเคยข่างัวข่าควายลักศกโจกหอตายไปแล้วก่อนที่จะตายร้องควนข่าวเหมือนตอนเองถูกเข็นถูกฆ่าอะไรทํำนองนั้นนั่นคืออุปีรักกรรมกําเแบบีบกรรมขั้นตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายส่วนถ้าพระอริยเจ้านะท่าน พัฒนาจิตของท่านหลุดพ้นจา ก, กงองคโลแห่งกาละจากความเป็นความตายไม่มีความเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีความเป็นเจ้าของแห่งความตายนาพินันธามิชีวิตตังนาพินันธายมอรันนังเราไม่ชื่นชมกับความมีชีวิตอยู่เราไม่ยินดีกับความตายทั้งสิ้นผู้ง่ายๆว่าไม่อยากตายไม่อยากอยู่กาลันจากปฏิกังเขวันนี้ปิสังวัดโภัยธา รอคอยเวลาสิ้นไปเหมือนลูกจาก้างรอคอยเวลาสิ้นไปเวลาทำงานนี่ปฏิสโตสัมปชานญะปฏิสตโตมีสติสัมชปมมชัญญะพูดถึงตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งเต่าที่เวลาเรายัางมีถ้าหาจิตใจท่านเจริญด้วยสติสัมปชัญญะสติมีความละลึกได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวว่าละลึกได้และละลึกหม่ได้ รู้ว่าใจนี่มีอยู่รู้ว่ามันมีเฉยๆใจนี่ก็ไม่ใช่เราใจเขาที่ไหนมันมีให้เรารู้ให้เราศึกษาเวทนาคือความรู้สึกฟิลลิ่งนี่ก็มีอยู่เฉยๆไม่ใช่เราอยู่ในนะั้นวิญญาณไม่มีที่อาศัยนะจะเมตต์นิสิตโตวิญญาณังอะนุสิตโตวิญญาณนี้ไม่มีที่อาศัยความรู้ ที่เจอจ้ารู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่ อ, อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้เมือ่อตเป็นธรรมชาติเป็นตัวรู้อาศใจไม่อาใสอะไรเลยดีก็ไม่อาใสชั่วก็ไม่อาใสสุขทุกข์ไม่อาัยเพียงแต่รับรู้รับทราบจิตฟาริีจ้ า, จาท่านเป็นอย่างนี้ตายก็ไม่เป็นเจ้าของตายมีชีวิตอยู่ก็ไม่เป็นเจ้าของชีวิตรู้เฉยๆพูง่ายๆว่ามันเห็นความจริงไม่มีกับทั้งผู้ตายไม่มีกับทั้งผู้เกิดเป็นเพียงกลุ่มก้อนของธรรมชาติ มันเหมือนกับถอดแว่นตาดำออกมาเงาดำๆนั้นก็หมดสิ้นไปไม่ต้องไปมัวเช็ดแว่นตาถ้าเห็นอนัตตามันก็ว่างเจิดจ้าจนเองจะตายก็นอนดูอยู่เออนี่ลมหายใจมันอ่อนลงอ่อนลงเหมือนตะเกียงหมดน้ํามันแดงลงแดงลงหมดไปดับไปปับ๊บมันก็เห็นการตายไปต่อนหนา้าท่านทั้งหลายอยากจะเห็นอย่างนี้ พระงมันฝึกสักไปฝึกสมาธิมีสมาธิอยู่ทุกวันมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะไปไหนะยืนเดินนัง่งนอนครูเยยดก็มือมีสติเวลาจะนอนทุกคืนนอนลงก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดว่ามันจะหลับตรงไหน ระหว่างหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนหลับอยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนขาดออกจากกันอย่างไรเหมือนน้ำกับบนบกมันคั่นกันอยู่ตรงไหนวันหนึ่งท่านจะเห็นจิตท่านสติท่านละเอียดลองละเอียดลองแล้วก็หลุดออกจากกันระหว่างตื่นกับหลับโอ้นี่มันหลับหลุดออกจากตื่นลีลงลีลงเหมือนตะเกียงแล้วก็ออกมาดูมัน พระอาริยเจ้าพระพุทธพาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีโอกาสฝันเพราะท่านรู้ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งตื่นตื่นอยู่ทั้งหลับกายก็หลับไปใจท่านก็ตื่นสติสัมปชัญญะท่านมีอยู่ แต่พวกเราเนี่ฝันกันทั้งปีทั้งชาติไม่ว่าพระว่าว่าโยมฝันแล้วยังไม่พอตื่นขึ้นยังมาฝันต่ออีกจะไปซื้อตัวนั้นจะแหงห้อยตัวนี้จะไปใช้นี่เกษตเศรษฐกกรจะไปซื้อรถอีแกแ ต, กตกนตุกตุกหวยฝันกลางวันกลางคืนอย่าไปกินน้ําผีอย่าไปเหตีอย่างนาฝันมันคลนลำแต่พวกเหานั้นไม่ศึกษาถ้าท่านนอนหลับทุกคืนท่านรู้จักวาระที่หลับและตื่นแยกออกจากกัน ทุกคนเคยนอนหลับกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จอกเวลาหลับกับตื่นแยกกันตรงไหนเพราะไม่มีสติกล้าพอสูงพอถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงว่าเออหลับกับตื่นมันอยู่ใกล้ๆกันมันแยกจากกันนิดเดียวตื่นขึ้นมาเพื่อจะหลับหลับไปเพื่อจะตื่นมันก็เกิดเพื่อจะตายตายเพื่อจะเกิดตะวันขึ้นเพื่อจะตกดินตะวันตกดินเพื่อจะขึ้นแต่ธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีขึ้น ไม่มีลงไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีหลับไม่มีเตือนคือวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ได้รับการฝึกปลืออบรมจนหลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของหลับเจ้าของเตือนเจ้าของเป็นเจ้าของตายหลุดออกไปปับ๊บมันจะไปไหนสิเนี่ยวิญญาณพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าไม่มีการไปไม่มีการมาอธิปิเกเวตทายะตั้นังพิสุตังลายจะตะนะั้นั่นนั่นมึยอยู่ นัปถวีนอาโปะนัตเฌโชนะปวายโฌไม่มีอยู่ในดินในน้าในไฟในลมและที่ไหนไม่มีในดวงอาทิตย์ดวงจันไม่มีในในอากาศไม่มีในสิ่งที่เรียกวิญญาณไม่มีที่สุดในอารูปประชานหลังจากนั้นไม่มีในอาทิตย์่ไม่มีในดวงจันไม่มีในดวงดาราน้อยใหญ่ไม่มีการไปไม่มีการมานะอาคาติงนัปนาคาติงจะไปไหนท่านทั้งหลายคิดไม่ถูกแล้วพยามารทั้งหลายก็ตามหาไม่พบ ท่านจะพบจะเห็นด้วยตัวท่านเองเป็นประจจตังด้วยการฝึกสมาธิและเอามาเป็นเครื่องมือของสติสมาธิอย่างเดียวไม่พอนั่งเข้าชานจะเป็นสิบปีก็ไม่เห็นตัวนี้ต้องตื่นออกมาถอยออกมามารู้จักตัวรู้มารู้ในความรู้ไม่ใช่หลงในความรู้แต่เราจะรู้ในสิ่งที่หลง หลังจะรู้ในสิ่งที่ลองแล้วจึงจะรู้ในสิ่งที่รู้ลึกลงมาแล้วจึงจะรู้ความจริงในสิ่งที่รู้รู้ความจริงในสิ่งที่รู้คือรู้ความจริงของตัวรู้ของวิญญาณไม่มีที่แอบอิงอาศัยมันก็จะหลุดออกมานะอิทะโรเกปัฏยิศสามิณะพระโรเกอุปัฏยิศสามิไม่ยึดมั่นทั้งโลกนี้ไม่ยึดมั่นทั้งโลกนะ